กับฟังไปด้วยในช่วงแรกนี่จะทำไปด้วยความไม่เข้าใจก็อาจจะทำไม่ได้นานนะก็อาจจะต้องทำความเข้าใจเรื่อยๆในสิ่งที่เราทำ เ, เพราะว่าในการปฏิบัติแบบนี้สำหรับบางคนก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเรื่องใหม่มาก แล้วบางคลก็ไม่เคยทํามาก่อนบางคลก็เคยทํามาแบบอื่นแบบพุโทโธสมารหังนั่งสงบแต่น้ามานั่งตื่นนั่งรู้นี่ก็ยังไม่เคยแต่ยังได้กล่าวแล้วว่าเราต้องเรียนรู้สิ่งสิ่งใหม่อยู่เสมอเพราะสิ่งใหม่ๆอาจจะให้ความรู้ที่อีกแบบหนึ่งแก่เราเพราะนั้นตัวศรัทธาเป็นเรื่องสําคัญ นะฝักไฟเรียนรู้ในสิ่งที่ที่เราไม่เคยในวิธีการหลวงพ่อเทียนนี้ก็เป็นการเน้นที่ความรู้ตื่นเบิกบานคือเน้นตัวพุโทโธพุโทโธในส่วนที่เป็นเนื้อแต่ไม่ส่วนที่เป็นเปลือกในส่วนที่เป็นเปลือกในใช้บริกรรมใช้สัญญ า, าสัญญาว่าพุโทโธหรือใช้ ร่วมให้ใจกับเข้าออกว่าหนอนี่ก็ใช้สัญญาใช้พองใช้ยุคแต่วิธีการแบบพุทโทแบบเคลื่อนไหวเนี่ยใช้ตัวเนื้อของมันก็คือตัวรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวรู้ตื่นรู้ตื่นแล้วก็ทำด้วยความเบิกบานตัวพูดโทนี่ก็จะเจริญไหวทาด้วยความเบิกบานแต่ในช่วงไหนมันเกิดความ อดหูเกิด ค, ความาง่วงเหงาเศร้าสึมตัวนั้นพุโทโธของเราก็จะไม่มีพลังเท่าไหร่นะเพราะในเวลาเราสวดว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุโทโผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัวนั้นสาระสําสคัญขณะที่ทำก็รู้สึกตัวว่าเร า, ามีความรู้สึกอย่างไรในขณะที่เราเรานั่งทำตั้งแต่หัวจุดเท้าของเรา มันสบายไม่สบายมันสุขมันทุกข์มันอึดอัดขัดเคืองอะไก็รับรู้รู้ในฐานะที่มันมีอยู่ไม่ใช่รู้ในฐานะที่เราเป็นอันนี้ตัวนี้สำคัญเน้นกันบ่อยๆ ถ, ถ้ารู้ในฐานะว่าเราไปเป็นความรู้อันนั้นความรู้สึกอันนั้นก็จะเป็นตัวตัวตนของความทุกข์และปัญหาเกิดขึ้นนะ แต่ว่าในเรื่องการปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังยังทำใจที่จะเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นยังยังไม่ได้เพราะยังไม่เคยเราก็อาจจะต้องเป็นผู้เป็นไปก่อนเพราะเป็นบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็ทุกพรทุ ก, มก์มากเข้ามากเข้ามันก็จะเกิดปัญญาก็จะทําให้เราแยกออกเหมือนกับเราเคี่ยวเคี่ยวกะทิเนี่ยถ้าไฟไม่แรงพอมันก็แยกไม่ออกระหว่างน้ํามัน กับกะทิพอไฟมันแรงขึ้นแดงขึ้นแรงขึ้ น, นมันก็จะแยกน้ํามันกัะทิออกจากกันน้ํามันก็จะรวมตัวขึ้นนะดังนั้นเองในเบื้องต้นนี่ขอให้เน้นสามตัวนี้ก่อนรู้ตื่นเบิกบานน ะ, ะรู้สึกตัวนะถ้าหากว่าเราไปเน้นเรความหลับความสงบความสุขก่อนเนี่ย มันจะไม่เกิดปัญญาตรงนี้ไม่ไม่เน้นตัวหลับตัวสงบตัวดิ่งตัวนิ่งตัวลึกอะไรลงไปเพราะตัวนั้นจะทําให้เราไปจิตของเราจะไม่ตื่นก็เน้นที่การเคลื่อนไหวบางทีคนที่ไม่เคยนั่งยกมือไปนานๆอาจจะปวดหัวไหล่ปวดแขนเราก็อาจจะมาวางมือพลิกมือเล่นๆคลิกมือความหงายธรรมดา เพราะว่าต้องการให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นนิมิตที่จะให้จิตมาเกี่ยวพันด้วยเพราะจิตของเราถ้ามันไม่มีนิมิตเป็นตัวเกี่ยวค่้องเป็นตัวปลุกให้ตื่นเนี่ยจิตของเรามันก็จะไปอยู่ในความความคิดไม่คิดมันก็ปฏิกับความาสุขหรือความสงบไปจิตก็จะไม่ตื่นนะเพราะนั้น <c oughs> วิปัสนาต้องมีนิมิตนิมิตก็คือตัวรู้สึกนี่เป็นนิมิตของวิปัสนาโดยเตริรตุนจากการเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวในทุกส่วนของกายนะเคลื่อนไหวทางรีบทตรหยับหยาบยืนเดินนั่งหรือความเจ็บปวดที่เราเห็นในง่ายนี่เป็นการเคลื่อนไหวหรือแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของลมหายใจก็ เ, เห็น เห็นชัดๆเคลื่อนไหวของเรียวบทตัวนี้เอาใจเข้าไปกำหนดรู้นะจิตของเราก็จะมาเห็นตัวนี้บ่อยๆซ้ำซากตัวนี้บ่อยๆมันก็จะจดจำนะเกิดการเรียนรู้เกิดการจดจำสภาวะเพราะนั้นตัวสติที่เป็นปัจจุบันที่มันจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆก็เกิดจากการจดจำสภาวะสภาวะที่มัน เจ็บมันปวดมันเคลื่อนมันไหวตัวสภาวะนี่ถูกจดจํามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะกลายเป็นตัวรู้ตัวปัญญาขึ้นมาตอนแรกมันก็เป็นสัญญาก่อนเพราะฉะนั้นการสั่งสมตัวตัวรู้ตัวเนี้ยก็เกิดจากการกระตุ้นให้รู้ไปเรื่อยๆในเมื่อตัวสัญญาตัวนี้มันมีมากพอเหมือนกับราเท่าหนังสือตอนแรกเราอ่านรอบเดียวสองรอบเนี่ยมันจะไม่จําแล้วก็ ในส่วนที่ยากในส่วนที่ยากขึ้นต้องต้องท่องบ่อยต้องว่าหลายรอบเป็นร้อยรอบพันรอบมันจะจดจำนะเหมือนแล้วก็ท่องหนังสือสักหน้านึงอย่างเนี้ยอ่านแล้วรอบสองรอบสมรอบไม่คกอยจาจนกระทั่งเป็นหลายรอบก็จะจดจําไอ้ตัวจดจํานี้เป็นตัวสัญญาตอนแรกที่มัน มันยังไม่ขึ้นใจก็คอยนึกแต่ไปมันขึ้นใจแล้วอย่างสมมุตินโมอย่างเงี้ยพอนึกนโมขึ้นมาแล้วผมก็ไปข้างมันเองตัวนี้เป็นเป็นตัวปัญญาละมันขึ้นใจเป็นตัวความเฉลนิยชนานาญนี่สภาวะของธรรมมเหมือนกันในความรู้สึกเคลื่อนไหวความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเข่ ง, ขงตึงความรู้สึกทีกเปลี่ยนร่างกายในส่วนใดก็ตาม ตอนแรกนี่มันยังไม่จำเพราะมันเป็นความเคยชินอยู่แต่พอเราฝึกให้จิตของเรามารับรู้บ่อยเข้าบ่อยเข้ามันจะเกิดการจดจำสภาวะการจดจำสภาวะนี้ก็จะค่อยปรากฏชัดขึ้นเรื่อ ย, อยๆนี่อันนี้ในกรณีที่จิตเราพร้อมที่จะเรียนรู้นะแต่ถ้าจิตมันไม่พร้อมที่จะรู้มันก็จะไม่จดจำมันก็จะอยู่กับความเคยชินอยู่เหมือนเดิมตัวปัญญาก็ไม่เกิดเมื่อตัวปัญญาไม่เกิดจิตไม่เข้าไปจดจำสภาวะ เมื่อจิตไม่ จ, ด, มจดจำสภาวะก็ก็ไปอยู่กับความคิดเหมือนเดิมนะดังนั้นอันนี้เป็นการเรียนรู้ในการสร้างจังหวะเบื้องต้นอาศัยศรัทธาความตั้งใจอาศัยความเพียรความขยันทาบ่อยบ่อยอาศัยสติคือปุกเราตัวเองอยู่เสมอโดยที่ไม่ให้ ตัวหรือจิตใจของเราในตกไปสู่ความง่วงเหงาเศร้าซึมความเบื่อหน่ายท้อถอยหรือความคิดปุงแต่งฟงุ้งซ่านอันนี้เราก็ใช้สติใช้สมาธิคือตั้งใจสมาธิแปลว่าตั้งใจตั้งใจรู้ตั้งใจศึกษาตั้งใจกำหนดรู้ไปนานๆนะตัวสมาธิแปลว่าความตั้งใจและตัวปัญญาก็รอบรู้ในสิ่งที่เรากำลังทําว่าอะไรกําลังเกิดขึ้น อะไรกำลังตั้งอยู่อะไรกําลังเปลี่ยนแปลงไปเราค่อยกําหนดรู้ไปเรื่อยเรื่อยเราคอยปรับตัวเองไปเรื่อยเรตัวนี้เป็นตัวปัญญาตัวปัญญาคือการปรับกายปรับใจของตนเองให้เข้าสู่ภาวะที่เรากําลังเรียนรู้อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นของการปฏิบัตินะเบื้องต้นก็คือต้องมีศรัทธาในการที่จะทําพอใจในการที่จะทารักในการที่จะทําชอบในการที่จะทําไยในการที่จะทำนี่ก็เรียกเกิดศรัทธา เมื่อทำ อ, อันที่สองก็ลงมือลงมือทดสอบลงมือกำหนดรู้ขณะที่ลงมือทำก็จะมีองค์ของความเพียรเช่นว่าเรากำลังศึกษาในส่วนไหนส่วนกายก็เฝ้าดูในส่วนที่มันเคลื่อนมันไหวมันรู้สึกเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็ง ทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดในส่วนจิตก็เฝ้าดูลมัดระวังความรู้สึกในทางที่มันจะเป็นอกุศลไม่ให้เกิดพยายามทำความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นเป็นกุศลอันนี้เป็นความเพียรที่จะทำดังนั้นในองค์ประกอบทั้งหประการศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เกิดตัวรู้ตื่นเบิกบาน นะถ้าหากว่าทั้ง5ประการนั้นไม่ได้รับการาศึกษาและการปฏิบัติอย่างถูกต้องตัวรู้ตื่นเบิกบานก็ยังไม่เข้มแข็งเนะมื่อรู้ตื่นเบิกบานไม่เข้มแข็งตัวปฏิบัติของเราก็ยังไม่ไม่ส่งผลเต็มที่ดังนั้นเองในช่วงตอนอกลางวันตอนปฏิบัติเนี่ยเราจึงปล่อยให้นักปฏิบัติได้ได้เรียนรู้ด้ตนเองนะ ช่วงเช้าช่วงเย็นก็เป็นการนำเสนอบทเรียนและเป็นการสรุปบทเรียนว่าที่ได้ทำไปตอนกลางวันเนี่ยถูกต้องไหมเข้าใจไหมถ้าถูกต้องเข้าใจผลมันก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆนะยังนั้นอันนี้ก็เป็นหลักการศึกษาที่ท่านทั้งหลายเคยผ่านมาแล้วทั้งสิน้นแต่เพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนะระบบจากรูประธรรมมาเป็นนามธรรมเท่านั้นเอง าการศึกษาเรียนรู้ที่ท่านทั้งหลายได้เรียนมาเนี่ยเป็นระบบของรู ป, ปรธรรมสัมผัสได้จับต้องได้าจากสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ในส่วนที่เราปฏิบัติอยู่ครนี้มันจับต้องไม่ได้สัมผัสไม่ได้แต่มีการาเรียนรู้มีการเข้าใจในสภาวะที่มันปรากฏาด้วยใจตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นนามรธรรมซึ่งจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษ เพราะว่ามันไม่มีนิมิตสีสันให้จดให้จำแต่ว่ามันเป็นสภาวะที่เราต้องเข้าไปสัมผัสเรียนรู้ด้วยใจเช่อนอาการแต่สิ่งเหล่านี้มันมีพร้อมหมดแล้วเช่อนอาการของการเจ็บมันปวดเนี่ยลักษณะสีสันเป็นยังไงมันไม่เห็นแต่สัมผัสได้อาการของควา ม, มง่วงความเหงามันไม่มีลักษณะสีสันแต่มันมีอาการให้สัมผัสได้อาการของความ คิดความปรุงแต่งวิตกกังวลไม่มีลักษณะสีสันให้จดจําแต่สัมผัสได้ด้วยใจอาการของความเบื่อหน่ายอาการของความเซ็งไม่มีลักษณะสีสันแต่มีอาการให้สัมผัสได้นี่ที่ว่ามันเป็นนามธรรมถ้าคนไหนเข้าไปศึกษาเรียนรู้สัมผัสจดจําสภาวะนี้ได้ชัดเจนและบ่อยขึ้นก็ทําให้จิตใจของเราเกิดประสบการณ์เกิดญาณทัศนะขึ้นมา และประสบการาณ์ญาณชนะทางจิตนี้มันจะนําไปสู่การเรียนรู้สภาวะที่ลึกลลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อย ๆ, อยๆนั่นแหละก็จะเป็นเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความจริงของชีวิตทีละนิดทีละนิดมากขึ้นมากขึ้นนั่นคือการเข้าไปสู่ตัวของชีวิตโดยโดยผ่านหลักของวิปัสสนานะซึ่งก็คิดว่าหลักของวิปัสสนาก็เหมาะสมกับภูมิรู้ภูมิธรรมของท่านทั้งหลาย ที่จะต้องศึกษาเพราะอันนี้เป็นเป็นยอดของความรู้ในะพุทธศาสนาคือวิปัสสนานะฉะนั้นการเรียนรู้การปฏิบัติถึงใส่ใจเป็นพิเศษมันมันถึงจ ะ, ะเป็นผลขึ้นมานะแต่ถ้าเราทำด้วยความเบื่อความเซ็งความไม่ใส่ใจนี่ก็ยากอีกหลายเท่ายากที่จะรู้ แต่ว่าถ้าเรียนรู้เข้าใจสิ่งนี้ได้แล้วเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลผลประโยชน์คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแผงวงจรชีวิตของเราเก่าๆเนี่ยให้เป็นแผงวงจรชีวิตใหม่ขึ้นมาได้แผงวงจรชีวิตเก่าๆของเราก็คือความเคยชินความเคยชินความเพอลอเลอความตามใจความอยากความทะเยอทยานความ อุดอัดขัดเครืองพวกนี้เป็นเป็นแผงวงจรเก่าๆที่เขาเคยมีแต่ถ้าหากว่าเรามาศึกษาในส่วนใหม่นี้เราจะเข้าไปลือ้อแผงวงจรอันนี้ออกใหม่แล้วใส่สิ่งใหม่เข้าไปเป็นความรู้ตื่นความฉลาดความสะอาดความสว่างความปลอดโปร่งความเบาความรู้เท่าทันเกิดสติเกิดปัญญาสามารถที่จะเห็นคุณค่าของชีวิต ที่มันไม่มีค่าอะไรให้มีค่าขึ้นมานะแล้วก็จะมีความรักชีวิตในทางที่ถูกต้องเมื่อก่อนเรารักชีวิตจริงๆแต่ว่าเรารักตามใจเราอยากอะไรแล้วก็ทำในสิ่งนั้นหีือราลักชีวิตในทางที่ไม่ถูกสิ่งที่เราอยากในทางที่ตอบสนองความอยากเรียกว่าความอยากตามกิเลสเนี่ยมันก็ทำให้เราอ่อนแอทำให้เรา เรียกว่ามีาสังสมในสิ่งที่เป็นความอยากมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอเรามาทําสิ่งนี้มันมันเป็นการไม่ทําตามอยากแต่เป็นการทําตามหลักของธรรมหลักของความถูกต้องมันอาจจะฝืนนะฝืนความรู้สึกของเราแต่เราก็ใช้ความอดทนเอานะใช้ความอดทนเบ่อเข้าเบื่อเข้าก็เริ่มเห็นความจริงมันก็เริ่มสนุกนะ ท่นบอกว่าศึกษาตัวสภาวะธรรมศึกษาธรรมะเนี่ยเราเหมือนกับเชียวอ้อยจากปลายไปหาต้นมันจะหวานขึ้นเรื่อยๆแต่ศึกษาทางโลกนี่ท่นบอกจากเชี่ยวอ้อยจากต้นไปหาปลายมันจะจืดไปเรื่อยๆเหมือนกันเรื่องของความรักความชังเนี่ยเอาในสมัยที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเอาความรักรู้สึกว่ามี รถมีชาติเข้มข้นแล้วสนุกสนานเพลิดเพลินอะไรก็ดูโลกอะไรสดใสไปหมดพอเรานานเข้าแต่งงานมีลูกกันคนสองคนขึ้นไปหรืออยู่กันนานเข้านานเข้าความรักที่มันสดมันใหม่มันมีชีวิตชีวาที่มันมีรถมีชาติก็เริ่มจืดไปจืดไปจืดไปแล้วก็มองหาสิ่งใหม่เข้ามาทดแทนเรื่อยๆมันก็ไม่ไม่เหมือนเดิมแล้วนี่เขาเรียกว่าจากจากเคี้ยวอ้อยจาก โไปหาปลายมันจืดจางมันเบื่อหน่ายกันไปเรื่อยๆในที่สุดก็เลิกไปใครไปมันเพิ่มบาดแผลแห่งความเจ็บปวดให้แก่กันและกันและชีวิตก็มีความบอบช้ำนะนะทา ง, งโลกที่เราเรียนมาเคยเป็นอย่างนั้นแต่ชีวิตทางธรรมเบื้องต้นเนี่ยมันจะเกิดความ เบอรนายไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่รู้ทําไปทําไมเอาอะไรไม่มีสิ่งที่จับต้องได้พิสูจน์ไม่ได้ไม่มีสีสันไม่น่านดึงดูดจิตใจเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนั้นพอตอนต่อๆไปเราฝืนทําศึกษาไปปัญญามาเริ่มเกิดแล้วก็เริ่มเห็นประพิมพประพายของของชีวิตในมุมใหม่มุมมองที่ใหม่ขึ้นเยอะเราเคยไม่ไม่ไม่เคยนั่งกับที่ได้นานๆเป็นชั่วโมงเออเราเริ่มนั่งได้นะ เราเคยจิตใจเราไม่เคยว่างจากความคิดบุงแตกเออมันเริ่มว่างน ะ, ะจิตใจของเราไม่เคยที่จะหยุดคิดในเรื่องอดีตอนาคตแต่เดี๋ยวนี้มันมันหยุดได้นี่มันก็เริ่มเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะเริ่มสังเกตขึ้นแล้วความเจ็บปวดจากการนั่งที่เราไม่สามารถจะนั่งอยู่ได้นานๆเมื่อก่อนเราไม่เคยทําได้แต่เดี๋ยวนี้เราทําได้ ม, มันจะเพิ่มสิ่งใหม่ๆสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เป็นมุมใหม่มุมมองใหม่ของชีวิตถ้าเราฝักไฝ่เรียนรู้เนี่ยมันจะมีอะไรที่ละเอียดประณีตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เมื่อก่อนเราไม่เคยนั่งฟังใครได้เป็นชั่วโมงๆแต่เดี๋ยวนี้นั่งฟังได้ มันมัน ม, น ม, นมนัเริ่มแปลกใจตัวเองเมื่อก่อนเราจะงุดหงิดแล้วรำคาญใครมาพูดอะไรให้เราฟังกล่องหูเราโดยที่เราไม่ยอมรับเลเราจะงุดหงิดรำคาญเบื่อแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มเริ่มทำใจได้ในสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งใหม่ขึ้นสําหรับชีวิตนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นคุณภาพของขอ ง, ของชีวิตที่จะนําไปสู่ความหลุมหลุมของความรู้สึกหลุมของความ รู้มั น, นมหาศาลในใจของเราเพราะชีวิตในส่วนรับรู้ของเรามันมีสองส่วนส่วนที่เป็นมโนวิ ญ, ญญาณคือรับรู้ในสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจรับรู้เข้ามารับรู้แล้วมันก็เข้าไปซึมซับเอาไว้ในภายใต้เขาเรียกว่า u b c o n s c i o u s หรือว่าอาริยวิญ ญ, ญาณหรือเราใช้คาว่าตัว ใต้สำนึกเหมือนกับเรามีบ้านสองชั้นใช่ไหมแล้วเราอยู่ชั้นบนชั้นล่างของเราเอาไว้เก็บของของที่ไม่จําเป็นก็เป็นเบสเม้นท์ที่เราเก็บไว้ข้างใต้เป็นห้องใต้ดินเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าเป็น subconscious หรือเราก็เก็บไปตรงนั้นเมื่อไหรจําเป็นก็เก็บขึ้นมาใช้เมื่อไหรไม่จําเป็นเราก็ไปเก็บไว้ข้างใต้คิตของกันรับรู้ข้อมอนกันในช่วงที่เรา ไม่ได้เจ๊ไม่ได้ตั้งใจนะมันก็จะรับรู้เข้าไปนะสิ่งที่มากระทบตาหัวใจมุกลิขนกายใจเก็บเข้าไปในในใจสํานึกของเราดังนั้นจิตของเรามันจึงเป็นคลังแห่งความรู้ที่มันเป็นคลังแห่งความคิดความฝันไม่เคยไม่เคยจบสิน้นมันไหลออกมาได้เรื่อยทั้งวันทั้งเดือนบางคืนนอนแล้วก็ฝันต่อไปอีกนีมันเป็นคลังแห่งความรู้แต่เนื่องจากว่าเป็นคลังแห่งความรู้ที่ไม่ได้กั้นกรอง บางครั้งเราไม่ต้องการให้มันคิดมันก็คิดมันซับเอาไว้ทั้งความคิดที่ดีและไม่ดีบางครั้งความจำอะไรเก่าๆความเจ็บปวดอะไรเก่าๆมันไม่แล้วไม่อยากจะคิดถึงมันมันก็เก็บมนคิดเพราะเนื่องจากว่ามันเก็บเอาไว้ข้างใต้แต่เราเผลอเมื่อไหร่เนื่องจากความคิดเหล่านั้นมันเก็บไปได้วยความไม่รู้มันก็จะออกมาเรื่อยๆเป็นออกมาเป็นเป็นความคิดความฝัน เราก็จะเรียกว่าเป็นโมหะเพราะความคิดเหล่านั้นมันถูกลําเลียงเข้าไปด้วยความไม่รู้สึกตัวไม่เจตนาที่จะให้ให้เข้าไปแต่มันเข้าไปด้วยการรับรู้นะแต่ว่าในการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันมีการเรียบเรียงความรู้เข้าไปอย่างเป็นระบบเหมือนระบบคอมพิวเตอร์เรียบเรียงเข้าไปเป็นข้อมูลที่ที่เก็บเข้าไปเป็นระบบระบบแล้วก็เวลาเราจะนําออกไปใช้มันก็นําออกมาใช้เป็นระบบ เราไม่ต้องการนําออกมาใช้มันก็จะไม่ออกมาเมื่อเราเจตนาที่จะออกมาใช้มันนึ่จะออกนี่ตัวตัวต ว, วิปัสนาแล้วการรับรู้ต่อสิ่งภายนอกที่มากระทบรูปเสียงกลิโนรสัมผัสเนี่ยมันก็จะจัดระบบของมันอย่างดีแต่สมัยก่อนที่เราไม่ได้ปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยความรู้ที่รูปเสียงกลิโนรสัมผัสเข้ามามันมันรับรู้เข้ามาด้วยอํานาจของโมหะของอวิชชา มันก็เลยทําให้เป็นเหตุแห่งความคิดไม่อยากคิดมันก็คิดไม่อยากฝันมันก็ฝันไม่อยากนึกมันก็นึกในสิ่งทั้งดีทั้งร้ายมันก็มามันก็มาทําให้เราเกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดออกมาออกมาเนื่องจากว่ามันถูกจัดเข้าไปแบบไม่มีระบบมันก็ออกมาแบบไม่มีระบบเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันก็มารบกวนชีวิตเราเจ้าที่เรื่องสันชาติยาน บ้าง เ, าเรียกว่ากิเลสบ้างเรียกว่าตัณหาบ้างเรียกว่าอุปาทานบ้าง เ, าเรียกว่าวิบากบ้างแล้วเราจะเรียกมันแต่ความจิดก็คือระบบที่ข้อมูลทางการกระทบต่างๆที่เราเก็บเข้าไปด้วยความไม่ตั้งใจนั่นเองมันก็ออกม า, าตลอดทั้งวันทั้งคืนเราเรียกว่าความคิดความปุงแต่งสังขารอะไรก็เรียกมันแต่บัทนี้เราเรามาเรียนรู้ในสิ่งใหม่เราลื้ เอาความรู้เหล่านั้นออกมาจัดระบบสมัยก็เรียกว่าจัดระเบียบอยู่สาสมระดับมาวิปัสสนานี่นะจัดระเบียบทางกายวายจารเรียกว่าศีลจัดระเบียบทางจิตเราเรียกว่าสมาธิจัดระเบียบทางความรู้ที่มากระทบเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นจึงมี3มหลักใหญ่ๆที่ต้องศึกษาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ในตัวจัดระเบียบทางศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดใช้ระบบของสติสมัมปชัญญะ เป็นตัวเข้าไปจัดดังนั้นเราจรึงทำตัวนี้ให้มากเอาไว้เนี่ยตัวตัวเคลื่อนไหวเนี่ยตัวกาหนดจึงทำไว้ให้มากไว้เพื่อไว้เพื่อให้เป็นโปรแกรมที่จะเข้าไปจัดระเบียบต่อไปความรู้ที่เข้ามาสู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรามันจะเป็นความรู้ที่เป็นระบบเ้าเรียกเป็นวิชาเมื่อก่อนที่มันเข้ามาแบบไม่ไม่เป็นระบบเราเรียกอะไรเราเรียกว่าวิชาเคยได้ยินคนี้ไหมเคยได้ยินนะ เรียตัวอนโนใช่ไหมตัวอวิชาคือตัวอันโนมันเข้ามาอย่างไรไม่รู้แต่มันก็เข้ามาแต่เดี๋ยวนี้เรามาฝึกใหม่ฝึกตัวสถิมยึเป็นตัวนำสิ่งที่เข้ามาใหม่นีเรียกว่าตัววิชาคือตัวโนนตัวที่รู้รู้แล้วก็ตื่นใช่ไหมหรืนมันก็เอาเวกขึ้นมาเอเวกแล้วเรียกพระพุทธเจ้าอีกชื่อหนึ่งเอาเวกเกนวันเอาเวเนวันหรือเอลไลท์ที่เปวันเราเรียกอีกชื่อหนึ่ง คือเข้ามาแล้วมั น, มนรู้อ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้รู้จักตื่นตัวอันนี้อ๋อไม่ต้องการจุดนี้เราก็ดีลิตออกไปได้อ๋อตัวนี้เราต้องการเก็บไว้อ่าเราก็เลือกข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยที่เราต้องการรู้จักเมื่อก่อนข้อมูลที่เราเก็บเข้ามาเราไม่รู้จักเขาเรียกว่าอาวิชาตอนนี้เรามีการกันกรองอย่างนีข้อมูลนั้นมีการพิสูจน์มีการปรับอย่างนีแล้วก็มีการเซฟเอาไว้ ต่อไปเราจะเลือกใช้เมื่อไหร่ถึงคลิกออกมาเก็บไว้ในได้ไหนในส่วนที่เป็นเครื่องมือเนี่ยที่จะทํางานทั้งหมดในได้ซีในส่วนที่เลือกเข้ามาแล้วเก็บในได้ e, อีในส่วนที่กําลังจะเลือกเข้ามาเนี่ยเก็บเข้ามาในได้อ E ที่จะกลับเข้าไปเนี่ยมันจะแบ่งเป็นในในจิตวิญญาณของเราก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นลักษณะแบบนั้นเหมือ น, นกันมันก็จําลองมาจากไอ้คอมพิวเตอร์นี่แหละนะคอมพิวเตอร์มันก็จําลองมาจากใจของคนเรานี่แหละ วันน้องเก็บข้อมูลสั่งสมรับข้อมูลเบื้องต้นเพ่ก็ได้ดีเนี่ยเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นได้ดีแล้วเข้าไปพิสูจน์ปรับปรุงไปทํางานอยู่ในไดซีกันปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยเก็บที่ใช้เป็นข้อมูลเอามาได้ซีเป็นลักษณะเขาเรียก ว, ว่าลักษณะที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเข้ามาเป็นครังเก็บของมันนั่นแล้วจะเห็นว่า ในความรู้ที่เป็นวิปัสนาเนี่ยเป็นความรู้เป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมา ท, ที่พุทธเจ้าตรัสรู้และความรู้อันนี้ผ่านมาสามพันกวีนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานักจิตวิทยานักการศึกษาทั้งหลายก็ล้วนเอาความรู้ในพุทธศาสนามาใช้ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นพุทธคิดอิสลามกา็ตามแต่เขาไม่ได้พูดว่าเป็นพุทธหรอกแต่เขาก็อาศัยความรู้นี้ออกเป็นนามของวิชาการต่างๆนะความรู้วิชาการที่เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยออกไปจากพุทธศาสนาถี่ต้นตอจากพุทธศาสนาทั้งหมด นะแต่วิสาศัาศาสนาอื่นเขาเขาไม่รู้ก็เนื่อเป็นของเขาแต่ความจริงก็ถูกแอพพลายถูกประยุกต์ไปจากตัวพุทธศาสนานเองนะแล้วนั้นจึงพุทธศาสนาจึงเป็นขุมแห่งความรู้มหาศาลที่เราเรียกว่าวิชานะวิชาเจรณาสัมปันโนพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยวิชาตัวนี้นั้นแล้เราทั้งหลายเป็นครูอาจารย์เป็นนักเรียนนักรู้นักศึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติอย่างนี้เดี๋ยวขอให้ ทั้งหลายลองลองตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ดูซึ่งที่เรามีความพร้อมและได้เปรียบอยู่คือว่าเราใช้ภาวะห้องการตื่นรู้เบิกบานเป็นตัวนําและไม่ใชต่ตัวหลับตัวดับตัวนิ่งตัวดิ่งตัวสงบมาเป็นตัวนําในวิธีการอื่นใช้ตัวนิ่ง รับดับดิ่งเข้ามาเป็นตัวนําค่อนข้า ง, างช้านะควรมันจะเข้าไปได้อันนี้ใช้ตัวรู้ตื่นเบิกบานเข้ามาเป็นตัวนําเปิดตาให้กว้างเปิดหูเปิดใจให้กว้างรับรู้ในสิ่งที่เข้ามาแล้วก็ตั้งสตินะตั้งสติเพราะฉะนั้นสติสัมญาจเราต้องฝึกกระตุ้นมากมากเป็นพิเศษเพื่อเป็นตัวกั้นกรองสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยให้ถูกต้องที่เราจะจัดเข้าไป แต่ว่าเวลาแค่เจวันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่น้อยมากแต่ว่าเป็นการเริ่มรู้เบื้องต้นเนี่ยไม่เป็นไรถ้าขอให้เราตั้งใจศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องไปก่อนนะแล้วก็ต่อไปเราเข้าใจแล้วก็จะไปขยายเอาเองเพราะเดี๋ยวนี้ความรู้วิปัสนาที่มาตามสื่อต่างๆนะ่มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นรายการ ทีวีรายการโทรทัศน์รายการวิทยุเป็นซีดีเป็นเทปเป็นหนังสือเนี่ยแผ่ขยายออกมามากมายถ้าเรามีการาความต้องการที่จะรู้ก็ไปขยายผลจากสิ่งเหล่านี้ได้เัรานั้นเองในวันนี้นะวันนี้ก็หลังจากที่เราได้ทําความเข้าใจเรื่องนี้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรนะแล้วเราก็จะเกิดความ ระมัดระวังในการเรียนรู้ถ้าคนไหนมีการเรียนรู้ได้ดีเรียบเรียงในการยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวทุกระยะของการเคลื่อนไหวเนี่ยเอาสติสัยัาเข้าไปกําหนดรู้เรียบเรียงเข้าไปเข้าไปมูลความรู้ที่ถูกต้องเหล่านี้มันก็ถูกซึมซับเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวสู่ความรู้สึกใจของเราเป็นข้อมูลที่ใหม่เข้าไปและสิ่งเหล่านี้ต่อไปมันก็ถูกขยายออกมาใช้ อย่างเป็นระบบชีวิตของเราก็จะมีระบบไม่ไม่ไปตามสัญชาตญาณเปลี่ยนใหม่เขาเรียกว่าวิปาาัสนาญาณเราปฏิบัตินี้เปลี่ยนจากสัญชาตญาณมาเป็นวิปาาัสนาญาณและตัววิปัสนาญาณตัวนี้เองมันจะทําให้เรามีชีวิตที่สงบมีชีวิตที่เป็นสุขได้ทุกขณะโดยที่ไม่ต้องไปสแสวงหานะความสุขความสงบความเยือกเย็นมันมีอยู่แล้วในชีวิตของเราแต่เนื่องจากว่าเรายังเรียกใช้ไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ เรียบเรียงจัดระบบมันสมัยเราก็เลยไปวิ่งหาความสุขสงบภายนอกไปวิ่งหาความสุขสนุกสนานจากรูปเสียงกิน ด, ด๊ดซึ่งมันเป็นสิ่งที่มีไวรัสมากมายแล้วเรียกว่ากิเลสนะเพราะนั้นตัวไวรัสของจิตเขาเรียกว่ากิเลสแต่ไวรัสของกายเก็เรียกว่าไวรัสเรียกว่า อ, อ, ะอะไรล่ะเชื้อนะเชื้อโรคต่างๆที่เป็น เข้ามาสู่ร่างกายของเราดังนั้นเองในช่วงเช้าวันนี้นะจากช่วงนี้ไปก็เป็นช่วงที่สองจากหกโมงถึง7จ็ดโมงเนี่ยเราจะศึกษาในเรื่องอแต่ว่าเราเดินจงกรมสักพักก่อนเนาะเดินจงกรมข้างบนเนี่นะเดินกระปับมาข้างบนนี้พอเดินจงกรมสักพักพอที่คลายผ่อนคลายรีแลกได้ที่แล้วเราก็จ ะ, ะศึกษาโยคะ ซึ่งช่ชวงเช้านี้จะให้พ่อสงวนท่านสาธิตนะเพื่อเราจะนำไปดัดแปลงแก้ไขตนเอง